สถานีวิดีโอราบกลัวข่าวศตรรฟมรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูร์อภิปุณโญจากวัดป่าแ่อไหนโศกนั่งพูดอยู่ที่วัดนี่แหละอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วไง มันก็ทําให้เราคลายความทุกข์ในใจของเราลงไปได้เวลาที่เรามีความรู้ความเข้าใจในตัวฝังมันจะทำให้ใหเจ้าตัณหาเจ้ากิเลสเนี่ยมันลอกออกไปถอนออกไปเกาะอยู่ไม่ได้เวลาที่ตัณหากิเลสวิชามันลอกออกไปถอนออกไปเกาะอยู่ไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันลดลงความทุกข์ลดลงความสุขก็มากขึ้นดีขึ้นจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจึงชักชวนคนทั้งหลาย ให้มาทําการศึกษาให้มาทําการปฏิบัติในทางคําสอนนี้เพื่อให้กิเลสในใจนี้มันลดลงแต่ซึ่งการศึกษาที่พูดถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติเนี่ยก็มีไล่มาตั้งแต่เรื่องของทานศีลภาวนาไปแต่ในการทําการศึกษานี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่มาในทางคําสอนที่เป็นแม่บทคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็มาจุดหนึ่งแล้วก็ ที่เป็นคำอธิบายขยายความในเรื่องของบริบทบ้างเรื่องของคำศัพท์บ้างเรื่องของแง่มุมที่เชื่อมต่อไปในพระสูตรต่างๆบางอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นคำขยายอันนี้ก็มีเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ทัมบวฟังฟังเรื่องของท่านพระมหากัสส ป, ปะก็ยังมีต่อตัมบวฟังท่านพระมหากัสสปานี่เป็นบุคคลที่มีความเลิศในด้านการตือตู้ดงกวาด เป็นชาวเมืองราชจ้กรึก็มีทั้งญาติพี่น้องมีทั้งอุปตากมากมายละ่ะแต่การอยู่ของท่านนั้นก็ไม่ได้ติดถินที่อยู่อยู่พร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลาเพราะว่าจิตของท่านนั้นสูงละ่ะวันนี้เราจะมาให้ฟังเรื่องราวของท่านพระมหากัสปะตอนที่ท่านออกไปบินาบาบเรื่องราวนี้มาในนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งอธิบายถึงความที่ทาไมเทวดาถึงเ้ามาใส่บาตร พะกันจพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงการที่ภิกษุเนี่ยมีสีน์พวกเทวดาเขาก็ตามกลิ่นนี้มากลิ่นจะเป็นกลิ่นของอะไรมันก็จะไม่สามารถหอมถึงแม้มันจะหอมอย่างไรตามเถอะมันก็ไม่สามารถที่จะหอมทวนลมไปได้แต่กลิ่นของสี น, นั้นสามารถหอมทวนลมไปได้เดี๋ยวเรื่องนี้ก็บรารอท่านพระมาหากัสสปะตอนที่ท่านออกไปบินบัตในวาระหนึ่ง หลังจากที่เข้าสมาธิได้เจวันวเรื่องนี้มีลูกล่อลูกชนกันมากมายหลายประเด็นทีเดียวเร้มาฟังเรื่องของท่านพระมาหากัสสปะตอนที่ออกไปบินบาบเรื่องที่1ธรรมบทแปลเรื่องถวายบิณฑบาบแก่พระมาหากัสสปะเทระภาคที่สเรื่องที่42พระศาสดาเมื่อพระรับ อยู่ในพระเวรุวันทรงบารพบการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสะเถระ ร, ระพระธรรมเทศนานิว่าอปะมัโตอยังคันโท ย, ยวายังละคะระจันทนีโยจะศีละวะตังคันโตวาดิเทเวสุอุตโมแปลว่ากลิ่นนี้ คือกลิ่นกลิศนาและกลิ่นจันเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นจันสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ตอนนางอับสอนอยากทำบุญแต่ไม่สมหวังความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระเถระ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 เกิดความอุตสาห์ว่าเราจะถวายบิณฑบาตแก่พระเทระเธอเหล่านั้นจึงตระเรียมบิณฑบาตห้าร้อยที่แล้วถือมายืนอยู่ในระหว่างทางกล่าวว่านิมนต์รับบิณฑบาตนี้เจ้าค่าโปรโดทําความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิดพระเทลรกล่าวว่าพวกเจ้าจงหลีไปเถิดฉันจัดทาความสงเคราะห์พวกคนเขนใจ นางอับศรขอท่านอย่าให้พวกดิฉันชิบหายเสียเลยเจ้าค่าโปรดทำความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิดพระเทระรู้แล้วจึงห้ามนางอับศรทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปยังมัวอ้อนวอนอยู่ด้วยการดีดนิ้วแล้วบอกว่าพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตัวจงหลีกไปนางอับศรเหล่านั้น ฟังเสียงนิ้วมือของระเตระแล้วไม่อาจเพื่อจะยืนขัดแข้งอยู่ได้จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิมในที่นั้นท้าวสั ก, กะจึงได้ถามนางอับสอทั้งหลายเหล่านั้นว่าผู้หล่อนไปไหนมานางอับสอจึงทูลว่าหม่อมฉันพากันไปด้วยหมายว่าจะถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสปะเทระผู้ออกจาก สมมาบัติพระโชก้าท้าวส ก, กะก็พวกหล่อนได้สบายแล้วหรือนางอับศรพระเถระไม่ปรารถนาจะรับท้าวส ก, กะพระเถระพูดว่าอย่างไรนางอับศรท่านพูดว่าจะทําความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจพระชก้าท้าวส ก, กะก็พวกหล่อนไปกันด้วยอาการอย่างไรนางอับศร ไปด้วยอาการอย่างนี้แหลพระเจ้า้าตอนท้าวสักกะแปลงตัวทำบุญแก่พระเทเท้าวสักกะจึงตรัสว่าหญิงเช่นพวกหลอนจะถวายบิณฑบาตแก่พระเทระได้อย่างไรดังนี้แล้วท้าวสักกะมีความประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงกาย เป็นคนแก่คร่ำกราด้วยอำนาจความชรามีฟันหักมีผมงอบมีหลังโกงเป็นช่างหูกผู้เท่าทรงทมแม่นางสุชาดาผู้เทพธิดาให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างนั้นนั่นแหลแล้วทรงเดลมิตรถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งประทับขึงหูกอยู่ฝ่ายพระเทระ เดินบายหน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าจะทำความสงเคราะห์พวกคนเข่นใจเห็นถนนสายนั้นนอกเมืองนั้นแหละและดูอยู่ก็ได้เห็นคนสองคนในขณะ น, นั้นเท้าสักกะกำลังถึงหูนางสุชาดากรอหลอดพระเทราคิดว่าสองคนนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำงาน ในเมืองนี้ผู้ที่จะเข็นใจกว่าสองคนนี้เห็นจะไม่มีเราจะรับพัดแม้ประมาณกระบวยหนึ่งที่สองคนนี้ถวายแล้วทำความสงเคราะห์แก่สองคนนี้ดังนี้พระเทราได้บายหน้าไปตรงเรือนของคนทั้งสองนั่นแหละเท้าส ก, กัดท่านเเนเห็นพระเทระนั้นมาอยู่จึงตรัส กับนางสุชราว่าหลนพระผู้เป็นเจ้าของเราเดินมาทางนี้เธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจกักหลวงท่านครู่หนึ่งแล้วจึงถวายบิณฑบาตพระเตระได้มายืนอยู่ที่ประตูรเรือนแล้วแม้สองผัวเมียนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นทำแต่การงานของตนฝ่ายเดียวก็อยู่หน่อยหนึ่งแล้ว แานั้นท้าสักกะจึงได้กลาก่าวึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งเธอจงไปตรวจ ด, ดูนางสุจดาจึงตอบว่าท่านจงไปตรวจ ด, ดูทนถนเท้าวสักกะผู้จำแรงกายจึงออกจากเรือนแล้วไหวพระเถระด้วยเป็นจางการประดิแล้วจึงเอามือทั้งสองเท้าเข่าแล้ว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 นานๆจึงมาถึงประตูกระท่อมของเรามีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมนางสุชาดาทำเป็นกุลีกุจออยู่หน่อยหนึ่งแล้วให้คำตอบว่ามีนายตาอสักกะจึงกล่าวว่าท่านเจ้าค่าเพราะคุณเจ้าอย่าคิดเลยว่าท่านเจ้าหมองหรือประนีตโปรดทำความสงเคราะห์แก่พวกกระผมทั้งสองเถิด นนนี้แล้วก็ได้รับบาตรของพระมหากัสปะไว้พระเทระคิดว่าทานที่สองผัวเมียนั้นถวายแล้วจะเป็นน้ำผักดองหรือระกำมือนหนึ่งก็ตามทีเราจะทำความสงงคระแกสองผัวเมียนั้นนานนี้แล้วจึงได้ให้บาตรไปเท้าสากเสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้ว ได้คดข้าวสุกออกจากหม้อใส่เต็มบาทแล้วมอบถวายในมือพระเถระบินตาบานนั้นได้มีข้าวและแกงมากมายได้หอมตลบทั่วกรุงราชกฤย์แล้วตอนท้าวสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระในการนั้นพระเถระคิดว่า ชายคนนี้มีศักดิ์น้อยบินดาตมีศักดิ์มากเช่นกับโภชนะของเท้าสักกะนั่นใกลเนาะนัณนพระเถระได้ทราบชายนั้นว่าเป็นเท้าสักกะดันงนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าพระองค์แย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจ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 แต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอุบัติกระผมได้ทำกัลยาณธรรมไว้เมื่อพุทธุประบาดการยังเป็นไปอยู่เทพบุตรผู้มีศักด์เสมอกันสามองเหล่านี้คือจุลรถเทพรบุตรมหารถเทพระบุตรอเนกวรรณเทพระบุตรทำกัลยาณธรรมแล้วได้เกิดในที่ใกล้ของกระผมมีเดชมากกว่ากระผม ก็เมื่อเทพประบุทั้งสามนั้นพาพวกปริจาริกาลงสู่ระหว่างถนนด้วยคิดว่าจากเล่นนั ก, กษัตย์กระผมต้องหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพประบุทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของกระผมเดชจากสรีระของกระผมไม่ท่วมทับสรีระของเทพประบุทั้งสามนั้น ใครจะเข็นใจกว่ากระผมเล่าครับพระเถระแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพระองค์อย่าได้ลวงถวายทานแก่อัตรมภาพอย่างนั้นทาวสกะก็เมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่านกุศลจะมีแก่กระผมหรือไม่มีครับพระเถร ะ, ร ะ, ระกุศลก็เกิดมีแก่พระองค์แน่นอนทาวสกะ ก็เมื่อเป็นอย่างนั้นการทำกุศลก็จัดเป็นหน้าที่ของกระผมสิครับทาวส ก, กะตรัสอย่างนั้นแล้วทรงไหว้พระเถระพานางสุชาดาทรงทำปตักษินพระเถระแล้วเข้าขึ้นสู่เวหาทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นมาโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในท่านพระกัสสปะดังนี้ลระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ในพระวิหารนั่นแหลได้ทรงสดับเสียงของท้าวสักกะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงเปล่งบูทานเสด็จไปทางอากาศ ภิกษุก็เท้าสากาดนั้นทำอะไรพระเจ้าข่าพระศาสดาเท้าเธอลวงถวายบิณฑบาตแกกัสปะผู้บุตรของเราครันถวายบิณฑบาตนั้นแล้วดีใจพลางเปล่งอุทานไปพวกภิกษุก็เท้าเธอทราบได้อย่างไรว่าควรถวายบิณฑบาตแกพระเถรัพระเจ้าข้าพระศ า, าะ ส, สดา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 ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาผู้เหาะขึ้นสู่เวหาทรงเปล่งอุทานสามครั้งในกลางหาว่าโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะดังนี้สามครั้งด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพมดจดล่วงเสียซึ่งโสตะของสามนมนุษย์กรนาล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจแก่ภิกษุผู้ถือการบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองมิใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อก็แล ระนทรงเปล่งอุทานนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายได้เสด็จมาตบายบินบาบแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีล์ดัง น, นี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันท์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุง้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์บาลีว่าอปะมัตโตอยังคันโทยะวายังตะคระจันทนียโยจะศีละวะตังคันโทวาติเทเวสุอุตโม ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอป a มัตโตแปลว่าเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยหมายความว่ามีประมาณนิดเดียวคำว่าโยจะศีละวัตตังแปลว่าส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายหมายความว่าส่วนกลิ่นศีลของผู้มีศีลทั้งหลายใดกลิ่นศีล น, นั้น เป็นกลิ่นเล็กน้อยเหมือนกลิ่นในกฤิศนาและจันแดงไม่คือเป็นกลิ่นอันโอรานแพรซ่านไปเหลือเกินด้วยเหตุนั้นแหลกลิ่นศีลจึงเป็นกลิ่นสูงสุดคือประเสริฐเลิศฟุ้งไปในเหล่าเทาพเจ้าและเหล่ามนุษย์คำว่าฟุ้งไปในเหล่าเทาพเจ้าและเหล่ามนุษย์นั้นหมายถึงหอมตลบ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 เข้าใจยากนิดหนึ่งแต่คือที่บอกว่าท่านพระมหากัสป่านี่ดีดนิ้วตีดนิ้วแล้วก็พูดตำนองาโอ้ยนี่พูดไม่เข้าใจในลักษณะของการดีดนิ้วเนี่ยคาว่าดีดนิ้วเนี่ยคือดีดนิ้วมือเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเป็นการกระทํำทีท่แบบอืรุนแรงมากสําหรับคนในสมัยนั้นคือจะเปรียบเทียบนะนี่คือเปรียบเทียบนะกับในสมัยปัจจุบันนี่ก็คือชูนิ้วกลางให้แต่คือเปรียบเทียบเฉยนะแต่ว่ามันคนละความหมาย ลักษณะท่าทางแบบดีดนิ้วเนี่ยเราก็พูดคาใดคํำหนึ่งว่านี่พูดไม่ฟังไม่รู้เรื่องเล ย, เยคือเป็นลักษณะที่แบบหนักมากสําหรับคนที่โดนถูกดีดนิ้วใส่แต่เป็นคนที่ถูกชูนิ้วกลางใส่เนี่ยมันเหมือนกับถูกด่าอย่างแรงอย่างหนักทนไม่ไหวทนไม่ได้อาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกันแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวท่านผู้ฟังที่ท่านพระมหากษัตริยดีดนิ้วใส่คนที่ฟังไม่รู้เรื่อง ในเรื่องเมื่อสักครู่นี้ดีดนิ้วใส่พวกเทวดาห้ารตนที่จะมาขอใส่บาตรในครั้งที่สองก็มีเหมือนกันและดีดนิ้วใส่นางเทพิดาคนหนึ่งและที่ชื่อว่าราชัดเทวติดาเป็นนางเทพิดาเข้าตอบแงม่มุมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในเทพิดาเข้าตอกแล้วเรามาฟังเรื่องที่สองตอนที่ท่านพระมาหากัตริย์ ไปบินระบาดอยู่ในเมืองราชกฤชเรื่องของนางลาชาติวธิดาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในเมืองราชกฤชความพิสดารว่าท่านพระมหากัสริอยู่ที่ปีปะผลิกูหาเข้าฌานแล้วออกในวันที่เจ็ดตรดูที่เที่ยวไปเพื่อพิิษา ด้วยทิพะยะจักษุเห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดร่วงข้าวสาลีทําเข้าตอกอยู่พิจารณาว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอก็รู้ว่าเธอมีศรัทธาจึงใครกรวนต่อไปว่าเธอจกอาจเพื่อทําการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอก็รู้ว่า กุลธิดาเป็นหญิงแกล้วกล้าจะทำการสงเคราะห์เราก็แลครั้นทำการสงเคราะห์แล้วจะได้สมบัติเป็นอันมากพระเถระจึงครองจีวรถือบาทได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาเก้าสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระ อันปีติห้าอย่างถูกต้องแล้วกล่าวว่านิมนท่านหยุดก่อนเจ้าข้าเธอได้ถือข้าวตอกไปโดยเร็วเกลียลงในบาทของพระเตราแล้วไหว้ด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอที่ฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์พระเทระได้ทำการอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จดังนี้ฝ่ายนางไหว้พระเทระแล้วปางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วก็เดินกลับไปก็ในหนทางที่นางเดินไปบนคันนา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 ไปเกิดในวิมานทองประมาณสามสิบโยต์ในพบดาวดึงมีอัตภาพประมาณสามกาวุธประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นตอนวิธีธรรม ท, ทิพยสมบัติให้ตาบอนนางนุ่งผ้าทิพ ป, ประมาณสิบสองซอกผืนหนึ่งหมผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอับสอนตั้งพันเพื่อประกาศบุรพกรรมจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันตองคำเต็มด้วยข้าวตอกทองคำให้ระยะอยู่เธอตรวจดูสมบัติของตนใกรกลวนด้วยทิพยะจากสูว่าเราทำกรรมสิ่งไรหนอจึงได้สมบัตินี้ได้รู้ว่าสมบัตินี้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 แต่ในวันที่สามพระเทระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระชายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาแล้วถามว่าใครนั่นกวาดอยู่นางเทว ด, ดาท่านผู้เจริญดิฉันเองเป็นอุปตายิกาของท่านชื่อลาชาเทว ด, ดาพระเทระ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 เราได้พระอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาพระเถระก็ทั้งหวานนี้ทั้งหวานสื่อ น, นี้เจ้าคนเดียวกว่าที่นี่เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้หรือนางเทพิดาอย่างนั้นเจ้าข้าพระเถระ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 เจ้าอย่าทําให้เราถูพระธรรมกตติทั้งหลายผู้นั่งจับพัดหันวิจิตกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวทิดาผู้หนึ่งมาทําวัดปฏิบัติเข้าไปตั้งน้ําฉันน้ําใช้เพื่อพระมหากระสปะดังนี้แต่นี้ไปเจ้าอย่ามาณที่นี้เจ้าจงกลับไปเสียนางเทพทิดานั้นจึงอ้อนวอน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าขอท่านอย่าให้ดิฉันชิบหายเิ้นเลยเช้าค่าพระเจระมีความคิดว่านางเทวทิดานี้ไม่เชื่อฝั่งใต้คมของเราจึงดีดนิ้วมือแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้านางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้จึงหอกขึ้นในอากาศประคองอัญชลี ยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศว่าท่านตกค่าอย่าให้สมบัติที่ฉันได้แล้วชิบหายเิเลยจงให้เพื่อทำให้มันคงเทิดตอนบุญให้เกิดสุขในภพทั้งสองพระศาสดานั่งในพระคันธกุฎินั่นเองทรงสดับเสียงนางเทวทิดา น, นั้นร้องไห้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 โดยว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้และภพหน้าดัางนี้ก็เมื่อจะส่งสื่อบนรลุชนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข บาลีว่าปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเถนังปุนับปุนังตัมหิฉันทังกะยิราตะสุขโขปุญญสะอุจโยก็เหนือความแห่งพระกตานั้นถ้าบุคคลพึงทำบุญใส้ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่าเราทำบุญครั้งเดียวแล้ว พอละโดยบุญเพียงเท่านี้แต่พึงทำบุญบ่อยๆแม้ในขณะทำบุญนั้นพึงทำความพอใจคือความชอบใจได้แก่ความมุสาในบุญนั่นแหละถามว่าเพราะเหตุไรวิจัจนาว่าเพราะว่าความสังสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่าเพราะว่าความสังสม คือความพอกปูนบุญชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าในการจบเทสนานางเทวทิดานั้นยืนอยู่ในที่สุดทาง4ี่สห้าโยชนั่นแหละได้บรรลุโซดาปฏิผลแล้วนั่นนี่แหละเรื่องนางลาชะเทวทิดา ในเรื่องที่สองนี้เราจะสังเกตเห็นอีกแง่มุมหนึ่งในเรื่องข้อวัดปฏิบัติก่อนท่านพระมหากัตรปยคือท่านก็เป็นผู้ที่มีความละเอียดมากนะพวกอะไรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้ท่านอย่าไปเที่ยวอุปตาอุปรรมต่ก็จะทำให้คนหนึ่งเขาพูดถึงในทางเสียหา ย, า, ยายได้ท่านก็เลยปฏิเสธในการที่จะให้นางเทธิดาคนนี้มาทาวัดปฏิบัติในการ กวาดลานวัดถาวายน้ําใช้น้ําฉันพวกนี้ถ้าเป็นผู้หญิงอย่ามาอยู่ใกล้ๆฉันทําเองก็ได้แต่ถ้าไม่มีสามเณรหรือว่าพิกษุณูมก็าําให้อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนางเทวทิดานี้ได้บรรลุโสดาบันนะเออมันดีกว่าเลื่อนรู้กว่าแน่นอนแต่ก็สมตามที่ปรารถนาการทําบุญอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือทําข้อวัดปฏิบัติใดๆอันนี้เป็นทานที่จะทำใเกิด ควาไม่เสื่อมทางที่ทําให้เกิดความเจริญสําหรับเราอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาใบบูรณาพี่ปุณโณจากวัดป่า ด, ดอนไฮโซกก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรได้ที่วัดป่า ด, ดอนไฮโศกเลขที่1 ห, หมู่8ตําบลดอนไฮโศก อ, อําเภอหนองหานจังหวั ด, ดอุดรธานี เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจนเปอรน